บันทึกพิเศษเสริมบทสรุปข้อสังเกตบางประการในการศึกษาพุทธธรรมภาคมัเชนาธรรมเทศนาหรือภาคกระบวนธรรมะหรือภาคสภาวะสัจธรรมคือธรรมะสำหรับรู้เท่าทันพุทธธรรมมีหลักการว่าไม่ว่า พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงก็ดำรงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลางๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือทรงค้นพบความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยไว้สาระของความจริงนี้ก็คือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยหรือกระบวนธรรมะแห่งเหตุปัจจัยผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น ไม่ใจมองตามที่ตนอยากหรือไม่อยากให้มันเป็นจึงจะเข้าใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้เมื่อเข้าใจธรรมะที่เป็นกลางนี้แล้วก็ยอมองเห็นความจริงอย่างกว้างๆครอบคลุมทั่วไปทั้งหมดมีทัศนะเปิดกว้างหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยหลุดพ้นทั้งทางจิตคือจิตหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นครอบงาที่เรียกว่ากิเลสและความทุกข์ กลายเป็นจิตที่ปลอยโปร่งเบิกบานเป็นสุขและด้านปัญญาคือหลุดพ้นด้วยรู้เท่าทันธรรมดาและมองเห็นความจริงที่ล้วนนบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเคลือบแฝงหรือทำให้เอียนเอียงและรู้ชัดแจ้งที่ความจริงโดยตรงไม่ต้องรู้ผ่านใครๆหรือรู้ตามที่ใครบอกอีกต่อไปธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั้น ปรากฏในหลายรูปลักษณะดังตัวอย่างด้านอุตุนิยามธรรมนิยามและกรรมนิยามกระบวนการแห่งธรรมชาติแวดล้อมหรือปัจจยาการแห่งอุตุตัวอย่างแรกยอดเขาไกล่าสูงมากความสูงมากเป็นปัจจัยให้อากาศจึงหนาวจัดอากาศหนาวจัด เป็นปัจจัยให้เมฆจึงลงเป็นหิมะตลอดปีตัวอย่างที่สองนายอุ่นขึ้นไปติดอยู่นานในหิมะการขึ้นไปอยู่ติดนานนั้นความเย็นทำให้เลือดข้นจับตัวเมื่อเลือดข้นจับตัวเลือดไม่ไหลไปเลี้ยงมือเท้า เมื่อเลือดไม่ไหลไปเลี้ยงมือเท้ามือเท้าปวดมากแล้วชาไปเมื่อเกิดการปวดและชาแก้ไขไม่คืนจึงเป็นปัจจัยให้มือเท้าจึงพิการและอื่นๆกระบวนการแห่งชีวิตหรือปัจจยาการแห่งกรรมระดับในจิตใจ นาฬิกาตีบอกเวลาสิบนาฬิกาในกอซึ่งเป็นนักโทษถึงเวลาถูกนำตัวไปประหารได้ยินจึงเป็นปัจจัยให้วาดกลัวมากความหวาดกลัวเป็นปัจจัยให้เข่าอ่อนทรงตัวไม่อยู่ในขอเป็นญาติของคนถูกนักโทษฆ่าได้ยินจึงเป็นปัจจัยให้เกิดความสมใจความแค้น ความสมใจความแค้นนั้นเป็นปัจจัยให้ร้องตะโกนดีใจในคอซึ่งปัญญาตอีกคนหนึ่งได้ยินเกิดความแค้นแต่คำหนึงกา ร, รวิบาสของมนุษย์เกิดความสลดใจเป็นปัจจัยให้วางเฉยมีอาการสงบในงง ซึ่งเป็นนักโทษประหารอีกคนหนึ่งได้ยินเคยหวาดกลัวแต่คิดได้ถึงผลสมแก่กรรมของตนจึงเป็นปัจจัยให้เดินไปกับผู้คุมโดยสงบกระบวนการแห่งกรรมหรือปัจจยาการแห่งกรรมระดับบุคคลในจอ กล่าวคำหยาบแกน่ในฉอเป็นปัจจัยให้ในชอเอาไม้ตีศีรษะในจอเมื่อโดนไม้ตีศีรษะจึงเป็นปัจจัยให้ในจอศีรษะแตกเมื่อในจอศีรษะแตกจึงเป็นปัจจัยให้ในจอเอาปืนยิงในฉอเมื่ออปืนยิงในฉอจึงเป็นปัจจัยให้ในชอบาดเจ็บสาหัสและอื่นๆ กระบวนการแห่งวิวัฒนาการของสังคมหรือปัจจัยาการแห่งกรรมระดับสังคมพืชงอกงามอยู่ตามธรรมชาติคนไปเก็บกินเมื่อต้องการบางคนทําการสั่งสมเป็นเหตุให้คนอื่นพา ก, กันเอาอย่างจึงเป็นเหตุให้มีการปักปันกั้นเขตเป็นเหตุให้มีการลักขโมยเป็นเหตุให้มีการตีเตียนทําร้ายกัน เป็นเหตุให้คนเห็นความจำเป็นจะต้องมีการปกครองจึงเป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าเป็นเหตุให้เกิดมีราชาหรือกษัตริย์และอื่นๆตามมาซึ่งเหตุปัจจัยในเรื่องนี้เป็นเรื่องตามอคัญยสุกระบวนการในเรื่องของนักโทษได้ยินเสียงมีลักษณะพิเศษ ถ้ามองเพียงปรากฏการภายนอกไม่อ้างอิงถึงกิเลสหรือคุณธรรมในจิตใจอย่างที่เขียนไว้ในวงเล็บแล้วจะอธิบายความสัมพันธ์ไม่ได้เลยกล่าวคือมองไม่เห็นว่าการได้ยินเสียงนาฬิกาจะเป็นเหตุให้เกิดอาการกิริยาอย่างหลังได้อย่างไรถ้าปัจจัยในใจไม่มีอาการภายนอกนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ส่วนในข้อกระบวนการแห่งกรรมตัวอย่างเรื่องที่กล่าวคาหยาบและทาร้ายกันกับกระบวนการแห่งวิวัฒนาการของสังคมจากตัวอย่างเรื่องในอาคัญยสูตรปัจจัยภายในบุคคลก็สำคัญมากแต่แฝงซ่อนมองเห็นยากกว่าจึงมักถูกมองข้ามไปเช่นบางคนมองเฉพาะปัจจัยทางวัตถุหรือทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ในที่นี้เอาข้อเรื่องนักโทษได้ยินเสียงนาฬิกามาวางเทียบไว้เพื่อเป็นทางให้เห็นชัดขึ้นถึงความสำคัญของปัจจัยภายในที่มีส่วนร่วมหรือเป็นตัวขัดแยง้งในการก่อผลของกระบวนรธรรมะนั้นๆอันหนึ่งตัวอย่างการได้ยินนาฬิกาของนักโทษนั้นเป็นกระบวนการประจำชีวิตใกล้ชิดตัวที่สุดเป็นไปตลอดเวลา ทำและสวยผลได้เฉพาะตัวทำให้กันไม่ได้ทุกคนควรต้องจัดการเอาชนะเป็นนายควบคุมให้ได้ภายในช่วงชีวิตนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนแน่นอนสำหรับแต่ละคนไม่ว่าเขาจะพยายามเอาชนะธรรมชาติส่วนอื่นอยู่ด้วยหรือไม่